ขอความสุขความเทริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอทวีทาวิตร ก, กสูตรสืบต่อกันมาโดยลำดับกวิตกคือจิตที่รึกนึกเหียวนึกด้วยอำนาจของกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ ก็ทรงจำแนกตามประเภทของกิเลสคือโลกร่ลงกับความไม่โลภไม่โกดธไม่ลงมันก็ทำนองเดียวกับมโนทุจริตหรือมโนสุจริตแต่ตรงนั้นพูดถึงสภาพจิตแต่ในที่นี้พูดถึงจิตที่กำลังตรึกนึกแต่สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือประเภทเดียวกัน เราก็ส่งแสดงมาเรื่อยๆนะฮะออกมาถึงจุดที่เรียกว่ า, าวิหิงสาวิตกอวิหิงสาวิตกเองมันก็คู่กับวิหิงสาวิหิงสาเป็นความคิดในทํานองเบียดเบียนซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่รุนแรงในหมู่สัตว์โลกสัตว์โลกจะรามองโดยพฤติกรรม แล้วก็มีแต่การเบียดเบียนสระตุสนรายกันปัญหาความไม่สงบทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในทุกส่วนของโลกเราจะพูดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งมันไม่ได้มันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นสภาพของปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กใครมือยาวสาวได้สาวเอา วันการการบังเกิดขึ้นของาศาสนาทั้งหลายในโลกตัวการบังเกิดขึ้นองค์กรทางการบริหารการปกครองบัญมืดแล้วก็มีมาตรการในลักษณะต่างๆรุนแรงบ้างหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็แล้วแต่มาขึ้นอยู่กับสภาพของบุคคลภายในสังคม ว่าในช่วงใดในขณะใดที่มีความรุนแรงเนี่ยแต่ที่จริงการแก้ปัญหาความรุนแรงหรือความรุนแรงเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่ว่าอายุติเป็นครั้งคราวแล้วก็นําคนเหล่านั้นเข้ามาสนทนากันแต่ว่าการแก้ปัญหาในแนวนี้ยังไงมันก็กําเริบนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ ปัญหาในในโลกเราจรึงเกิดขึ้นซ้ำซากซ้าแล้วซ้ า, าอีกก็เคยตั้งข้อสังเกตเป็นกันว่าในสมัยกรุงศรีอุธยานเนี่ยมี417ปีเราถือว่าประเทศชาติของเราก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสับสนไม่เคยมีความสงบมีการเบียดเบียนกันค่อนข้างแรง แล้วก็เป็นความเชื่อถือในทำนองทำลายล้างคือฆ่าเจ็บชั่วโคตรันทำให้คนดีนี่ถูกทำลายไปเชเยอะมากแล้วก็มีการปฏิวัติ ร, รัฐประหารสรุปแล้วก็ไเจ็ดครั้ง แ, แรงจนถึงก็เปลี่ยนราชวงศ์ได้เนี่ยถึงห้าครั้งก็เปลี่ยนไปห้าราชวงศ์โดยในราชวงศ์เหล่านั้นะเราก็พบว่าก็มีการต่อสู้กันมาตลอด มีการ เ, าเปลี่ยนจากเจ้าเป็นพราจากไพรเป็นเจ้าแล้วก็ก็ไม่นิ่งคือสรุปว่าบ้านเมืองมันไม่นิ่งพเรามาดูว่าเออเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันดีขึ้นหรืเอเปล่าปรากฏว่าพูดพูดก็พูดเถอะคนสมัยนั้นเ็าไม่จบไปยาเลยนะฮะ แล้วเขาอยู่กันมาสี่ร้ยสิบเจ็ดปีเนี่ยเขาก็ปฏิวัติรัตประหารเพียงแค่ห้าเพียงแค่เจ็ดครั้งเท่านั้นเองแต่เราปัจจุบันก็คุยโมโอ ว, ว่าวเป็นยุคแบอสิวิไลยนะฮะยุคอารีสนยุคที่ความเจริญก้าวหน้าก็เรียกยุคตัวเองเซรุ่นเลยแต่เราดูพฤติกรรมนะมันแรงนะแรงโดยไม่น่าเชื่อไอ้ทำไมมันเป็นเป็นอย่างนี้ได้ เรามีการปฏิวัติรัตประหารกันซสส้ำร้ำรากถึงสิบกว่าครั้งประสบควาสมสาเร็จบ้างไม่ประสบความเร็จบ้างแต่ดีหน่อยที่ไม่ถึงก็คาดจะ โ, โุโคตรขนาดเองเพราะแสดงมาธรรมชาติมนุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยเราดูแม้ในประเทศที่ถือว่าจเจริญก้าวหน้าเช่นยกตัวอย่างว่าอังกฤษเราเรียกว่าเป็นผู้ดี เป็นผู้ดีอังกฤษเขาก็อาจจะไม่รุนแรงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการต่อสู้ทางการเมืองเพราะค่อนข้างจะเข้ารูปเข้ารอยพอสมควรแต่เราก็จะพบว่าสังคมอังกฤษก็มีความรุนแรงเป็นในเรื่องต่างๆแม้แต่นเรื่องกีฬาเรื่องการเฉี่ยกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คฟุตบอลแต่แสดงว่าคนนี้ยังเบียดเบียนกันอยู่แต่ความคิดในทํานองเบียดเบียนเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากความคิด การเบียเบียนทั้งหลายนี่นเกิดขึ้นจากความคิดคนไหนที่ที่ริพุเจ้าก็สอนให้วิเคราะห์จิตให้ดูจิตเราในแต่ละขณะเนว่าจิตเรามีความคิด ย, ยังไงเพียนที่พูดอยู่เสมอว่าในสุดคําถามสุดท้ายในว่าอยู่ที่คุณคิดยังไงล่ะเราพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์มันก็สะท้อนมาจา ก, กความคิดของมนุษย์ เพราะถ้เราเริ่มที่อากุศลวิจกแน่นอนต้องแรงแล้วต้องลุกล้ำเข้าไปไปสู่การและเมื่อสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทในคู่ครองสิทธิในการรับขัาข้อมูลข่าวสารต ล, ลอดถึงับทำลายล้างผลากันโดยวิธีการต่างๆวันก่อนได้คุยกับ คนระดับประหลัดจังหวัดนะแต่ก็ไปเจอกันในงานสุกก็คุยกันไม่มากอะไรเดี๋ยวแต่เขาเล่าจากภาษนามหรือถามก็ว่าทำทำยังไงจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ทำไมไม่ช่วยเหลือกันให้มันเข้มแข็งกว่านี้มนบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเพราะว่า โยชนของเราแกนหนีจากยาบ้าเนี่ยไปหายาของฝรั่งซึ่งมันแพงเป็นยาอียาเลิบยาอะไรต่างๆที่จกบอกชื่อก็จำไม่ค่ยได้ครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแม้เราจะอยู่ในยุคที่มีการศึกษาก็ถือว่าเขาว่าดีนะฮะแต่มาเองยังมองว่าการศึกยุคนี้สับสน เราก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าวิตกน่าหวงใหญ่เพราะว่าทันที่จริงมันเหมือนกับสินค้านะฮะ ค, คือเราดูตัวสินค้าเนี่ยเราก็มองกลับไปหาบริษัทได้ไปหาความคิดไปหานโยบายไปหาตัวบุคลากรที่ผิดสินค้าเหล่านั้นออกมาได้เพราะทนผิดผลต่างๆทางสังคมที่มันแรงเนี่ย แ, แสดงว่ามันมีปัญหาในการศึกษาอบรมแน่นอนเลยมนุษย์เนี่ยมันจะมีปัญหาที่การศึกษาอบรมถ้าไม่มีปัญหาตรงนี้มนุษย์ก็จะพัฒนาในด้านวิชาการนาหรือความรู้ดีนะความรูดด้ดีมันก็นําไปสู่ความคิดดีนําไปสู่ความสามารถเฉพาะทางหรือหลายทางที่ดีขึ้น แล้วก็ชีวิตของเขาก็จะถูกกำกับด้วยศีลธรรมมีความสำนึกมีความรับผิดชอบในในเรื่องต่างๆแต่พอเราเกณฑ์ตรงนี้เข้าไปจับแล้วก็คือบางทีก็สยองเลยนะฮะคือวันก่อนไปบรรยายอบอรมพระ แล้วก็สอบถามท่านบอกฟังพระราชดำรัสของในหลวงที่เสด็จออกสีห บ, บัญชรที่พระที่นั่งอานันต์หรือไม่ท่านก็บอกพวกฟังถามานึกออกไหมว่าเป็นพระสูตรอะไรพร ะ, พระร่วมร้อยนะฮะก็มีเสียงตะโกนมาจากข้างหลังยู่เสียงเลง ก็บอกถูกไงฮะบอกพระสารานิยธรรมแต่นี่คือการแสดงให้เห็นให้เห็นตั้งว่าการศึกษาอบรมในแต่ละเรื่องเมือนกับมีปัญหาแล้วพอปัญหาแล้วมันมันที่น่าน้อยใจคือมีการโยนกลองเรืยกตอย่างว่าปัญหาที่พระบอกขยุยเมื่อแถวกลางเดือน กลางเดือนมิถุนานะราว่ากันว่าอยู่แถวอะไรอยู่แถวตาครีนครอสวรรค์เราเรียกว่าพระลงผีพระทุง่งงพระลงผีก็เมื่อก่อนก็ไม่สนใจเราแต่ก็ดูสุพิมอหมายถึงว่าเขาเป็นพระทุดงมาแล้วเวลานอนเนี่ยก็นอนลงผี แล้ววันหนึ่งก็ไปเห็นทรตธาต์เขามาออกดูแต่เนื้อแต่งตัวแล้วก็อันนี้ก็ผิดปกติเยอะนะฮะแล้วก็มีข้อที่น่าสังเกตนะคือว่าในจังหวัด น, นครสวรรค์ถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตลักษณะาทางภูมิศาสตร์ส้นตะ่อ น, อ น, นครสวรรค์มันเป็นภาคเหนือตอนล่างนะฮะแต่ที่จริงก็คือภาคกลางตอนบน ในขณะเดียวกันมันก็ไปเชื่อมโยงใกล้ชิดอยู่กับจังหวัดทางภาคอีสานเพราะัวัดนครสวรรค์จะเป็นที่รวมของคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าพระเหล่านี้รูปนี้ก็มาจากไหนแต่ว่าการแสดงออกทั้งหมดมันก็ไม่เด้ดีพิเศษอะไรอะคนนอนในโวงศพมันก็เยอะไป ยังไงก็ตายก็นอนอยู่ในโรงแล้วคนตายก็ยังนอนนะฮะคนเป็นจะนอนมันก็ไม่แปลกแล้วมันก็เป็นแฟชั่นโชว์แสดงมาจิตไม่ผิดปกติหรือย่างหนึ่คือการแต่งตัวการห่มจีวรเนี่ยก็เคยไปบรรยายอบรมที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อหลายปีที่แล้วสมัยนั้นสมเด็จวัดเบญจมาศท่านยังเป็นฮิรัญญบัตอยู่ก็ไปด้วยกัน แล้วก็มีเจ้าขณะนจังหวัดมกรซิบบอกว่าเวเนียก็มีคำสั่งมาจากผู้ใหญ่ว่าจังหวัดทางภาคเหนือห่หมจีวรสีเหลืองให้หมดและถ้าใครห่มจีวรสีอื่นเนี่ยให้ขับออกไปจากภาคก็เลยก็กระเช้าพระที่มาประชุมกันกันกบประมาณสักสามสี่ร้อยนะบอกก็ได้ข่าวว่าทีนี้ก็มีคำสั่งห้าม แม้พระหมจิวรเราอื่นอยู่ในเขตพื้นที่ ท, ทับภาคเหนือเลยก็พูดเล่นที่จริงนะแต่จริงก็คือพูดจริงคือบอกว่าในธรรมินัยนี้นะครับหลักเกณฑ์การตัดสินพระธรรมินัยข้อสุดท้ายเนี่ยว่า ทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากบำรุงยากนั่นคือธรรมนั้นคือวิถีนัยนั่นคือคำสอนในธารมประพฤติศาสนาแล้วก็พระเรากลับถูกสั่งสอนว่ามันไปคิดควรพิจารณาหนึ่งเดืองว่าชีวิตเราเนื่องด้วยบุคคลอื่นเราควรทําควรทาตัวเขาเลี้ยงง่ายบำรุงงา่ายแต่การม่พบปัจจัยสี่ของเราเนี่ยคือบริโภคตามมีตามตาได้ มีมาอยังไงได้มาอย่างไงก็ใช้สออย่างนั้นก็ให้กินอย่า ง, งไงก็กินไปเราก็มองในแง่บ่ามันผิ ด, ดวินัยหรือไม่ตอนนั้นเองแต่ถ้าไม่ผิ ด, ดวินัยมันก็ใช้ได้ทางนั้นคนในชาวบ้านก็าศรัทธาเขาถวายผ้ามันอย่างหนึ่งแล้วก็พระไปรับต้องการอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรานึกดูว่ามันเกิดอาการโลภะแล้วก็เกิดอาการโทสะ คือหมายความว่าไม่ชอบสีอื่นแต่ก็ชอบสีนี้ที่จริงมันเป็นกิเลสทั้งคู่คือไม่ชอบสีนี้ก็เป็นโทสะชอบสีนี้ก็เป็นโลภะแต่ปัญหานี่มันจะไปกระทบสถ า, าบา้านแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่ง ก, ก็คือว่าในไปทำในัยเนี่ยเขาจะเน้นอยู่สองเรื่องคือศีรัศ ญ, ญีตาคือมีสีนเสมอกันกับพิธีรัศ ญ, ญีตามีทิศ มีทิฏฐิคือความคิดเห็นเสมอกันคือตรงกันไม่มีสีจีวระ ส, สามัญจะตคือไม่มีสีจีวรที่เสมอกันในประรรมินนี้ปรากฏว่าพระท่านก็คงอิกอัปนาเนีนะหากันตึงเลยก็พระรูปนั้นสงจีวรดำค่อนไปทางดำนักไปทางผู้สันติสุข ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าสีจีวรแบบนี้พระโดยทั่วไปจะไม่ห่มกันเพราะมันดำเกินไปสีจีวรเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อยู่ทางวินัยอันนี้คือต้องการจะดูให้ใ ห, ให้ให้ท่านทั้งหลายดูข้อมูลในการตึกนึกในการเหนียวนึกนะฮะว่าในการที่จะไปเชื่อพระพวกนี้ คือเราต้องนึกนะต้องต้องต้องนึกหลายๆเรื่องคือก็ต้องมีระบบในการคิดว่าเออพระนะพระถ้าท่านรู้เนี่ยท่านไม่บอกหรอกทำไมไม่บอกเพราะอย่ลืมในกระบวนกาหวยเนี่ยมันมีคนได้คนเสียคือเจ้ามือเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วก็เสียแต่คนซื้อก็ลงทุนแล้วก็เสียเป็นนโบายามุกทั้งนั้นเนี่ย ทั้งผู้จำหน่ายทั้งผู้เล่นเนี่ยคนก็ปล่อยสัตว์โลกก็ไปทากรรมเราพก็อุเบกขาหรือถ้าเราเตือนเขาไม่ได้ขอให้เขาเลิกไม่ได้แล้วก็ปล่อยใจอ่ะปล่อยไปทำกรรมเพราะถ้าเราไปบอกสมมุติเรารู้แล้วเราบอกเนยมันก็เหมือนกับเล่นไพ่โกงเหตุใดว่าเราไปโกงเขาและพระก็ร่วมการโกงก็คือยักยอกทัพย์ หลอกลวงเอาซักเปล่าดีือไม่ริมปราชิการอ่ า, อ ย, ายังไม่ใช่ง่ายแล้วที่อย่างยิ่งก็คือว่าเราไปเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายผู้เล่นหรือเป็นฝ่ายเจ้ามือก็ไม่รู้ว่ามันก็ผิดใช่ไหมล่ะหรื อ, อยังเดินเนี่ยสมมุติเธอรู้จริงเนี่ยคู่คนมึนต้องสงเคราะห์ญาติทําไมถึงไม่บอกญาติเธออ่าในว่าเธอต้องการจะพัฒนาวัดจะสร้างถนนจะสร้างอะไร อแล้วทำไมเธอไม่บอกให้มรรคธายกไปเสือ้อคือมันไม่มีเหตุผลเน่ยไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองแล้วคนก็เชื่ออยู่อย่างเงี้ยชั่วนาตาปีมันไม่ใช่ว่าองค์นี้คือองค์แรกมันเป็นองค์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นไปนไม่ได้หรอก แต่ว่าในการพูดการแสดงอะไรของพระเนี่ยโอกาสที่คนจะตีเป็นหวยเนี่ยมันได้เพราะเลขมันก็มีแค่สิบตัวเท่านั้นเองถ้ตีไปทีมามัก็ถูกตอนวันครบรอบหกรอบของอันตมาเนี่ยไม่ควรูหัวกันเยอะในบรรยายที่สีพ่พีพิธีกรเข้าก็ระซ้า บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบวันเกิดยี่สิบเจ็ดปีของท่านเจ้าคุณคนก็งงไงแต่คนก็ถือเป็นเป็นเลขหวยรรก็ปรากฏว่าไปซื้อก็ถูกปรากฏว่าคนที่มาวัดเนี่ยเขาเล่นหวยแล้วก็กลับถูกเม่เรื่องของเขาอ่ะเราเกิดมาเราก็ครบเจ็ดิบสองแล้วคุณจะให้ทำยังไงว่แล้วแต่ใครจะคิด เปตามเสด็จสมเด็จประสังคราชไปจ่างภาคได้ไปที่หัดใหญ่คนไปดูเลขท้ายรถพระประเจียบเ้วไปแทงหวยประกวดรถถูกกันแล้วจะทำยังไงเลขท้ายรถมันเป็นอย่างนั้นเลขรถของหลวงด้วยามาเคยไปเทศคนถูกหวยต่างหลายครั้ง คือราเทศองค์ธรรมเนี่ยมันมีเป็นชุดๆเพราะนั้นเทศก็กุศลกบฏสิกายกรรมสามจีกรรมสโโี่พนกรรมสามโยมไปเลยน่สามสี่สามถูกก็ลือกกันใหญ่เราบอกหวยได้นิมูลต่อเลยทุกวันเนี่ยไม่ไม่รับนิมนูลไปที่นั่ น, นเหะก็เล่นเราเทศจะไปตีเป็นหวยอย่างนี้เราก็แย่งกันเพรา ะ, ะนั้นอย่าลืมว่า มันไม่มีเหตุผลหรอกการใช้ชีวิตในลักษณะนั้นมันคิดผิดมันคิดด้วยกามิตกเห็นฮนะเป็นกามิตกแล้วก็เป็นวิหิงสาวิตกเพื่อเปลีป่ยนตัวเองแล้วก็พอพอเขาบอกไม่ถูกขึ้นก็เกิดพยาบาทริตกเกิดเกิดเกิดไปโกรธพระองค์นั้นก็มีการก็อรนรงกันแรงนะแต่วันที่ ยี่สิบกว่าเนี่ยก็ปรากฏว่าวันที่ยี่สิบธิมที่มาคงก็ลงมติยืนยันมติเดิมทัี่มีมานานแล้วทำพระบอกหวยนี่ให้สึกเลยแล้วก็ทางราชการเองก็จะจับสึกก็จะไล่มันก็แก้ปัญหาอย่างไงไม่ได้ครับมนุษย์เด่ยมันต้องติดอาวุธคือปัญญาให้เขา เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีตัวตายตัวแทนนะฮะมาแรงมากมันจะบินข้าวกองไฝ่อยู่เรื่อยๆอะประวัติศาติพันก็เขาเป็นอย่างนั้นเองเพคนโลภคนโง่จะถูกหลอกได้ตลอดไม่ต้องกลัวหรอกแล้วก็จับใด้ที่ยังมีคนโลภอยู่มีความโง่อยู่แล้วก็ถูกหลอกหลอกนั่นก็เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากอากุศลลวิจกุกมันเริ่มมาจากอากุศลมิตก ไปเริ่มํ า, ามด้วยโง่แล้วก็จบแล้วนำด้วยโง่แล้วนําด้วยโลกก็จบแล้วทีนี้ทรงสแสดงให้เห็นว่าวิตกแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อเมื่อหมายความมาถ้าเราวิจกด้านด้านที่เป็นกุศลเช่นสมมติว่าเราตรึกนึกด้วยเรื่องทางเพศเนี่ยมันอาการของ จิตที่จางคลายสงบประงับดับกิเลสเนี่ยมันจะลดคลายลงไปคลายลงไปคลายลงไปไม่มีพลังเลยเราอย่าลืมว่าจิตที่เหนียระดับนี้ไม่ใช่ว่าจิตสามัญตอนนันเองนะจิตระดับที่ได้บรรลุฌานบรรลุสมาชิบรรลุฌานได้พิญญาแล้วอย่างพังอะพอถ้าเราไปนึกถึงกรรมมากแหละมันจะสวยไปหมดเลย รูปจะสวยเสียงจะไพยรอะกลิ่นจะหอมรสจะอร่อยสัมผัสนะนจะต้องเนื้ขคามาจะจาะความคิดจะยอกจะกล่าวเนะี่ยมันจะหายไปแล้วก็ดีหมดเลยก็ลองนึกดูนะว่านานมาแล้วจะเคยเล่าฟัอมีพระกลุ่มหนึ่งพระกลุ่มนี้เว น, นี้ก็หกสิบกว่ากวาไปแล้วแวต่กระตูหัวหน้าก็เ ข, ขาว่ามโนภาพไปแล้ว ฉันเคยเดินขบวนเป็นทุดุงเดินทุดุงนะฮะจากจังหวัดนครเลยแล้วก็ไปทางภาคเหนือก็รู้จักบางคนนะฮะแต่ก็ไม่ได้สนใจติดตามอะไรท่าไรหรอกแต่ว ก, ก็มาสร้างข่าวอยู่แถวกรุงเทพนี่หลายวัน่อมาคนเหล่านี้ก็หายไป วันหนึ Freiheit, ่งก็ไปเจอก็แถวแถวชาหนาฏสอถามอ้าวเขานั้นขาวว่าเดินทุดงไปหายไปไหนหมดไปอยู่ที่ไหนกันนะปรากฏว่าสาวๆแถวแถวอะไรเขาบอแถวสารพีเอาบาทไปทำรังไก่ซะเกือบหมดเลยไปนั่งสมาธิกรรมฐานอะไปนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่ในป่ากระจายไปในที่ต่างๆ พ่อสาวก็คงจะไปคุยไปสักถามไปไหว้พระไปทำบุญอะไรอะไรเนี่ยดิมะก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกมาคุยกันไปพระก็ไม่ได้แกลงจริงอะไรเพียงแต่ว่าไปประพฤติปฏิบัตินันในที่สุดก็ตะบาาแตกอนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นการตรึกนึกยิงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เราํากับความคิดอะํำกับความคิดก เราทำยังไงอย่าคิดในแง่ที่จะเพิ่มโลภะเพิ่มราคะในแง่ที่จะเพิ่มโทสะในแง่ที่จะเพิ่มความเบียดเบียนที่เรียกวีวหิงสาวิตรเพราะทํามาอย่างนั้นแล้วอีกด้านกุศลเนี่ยจะเพ่าลงจะอ่อนล้าลงและจะไม่มีพลังนจะไม่มีพลังถ้าเราสังเกต ด, ดูนะสมมติว่าเราดูละคร เราก็มานั่งสมาธิอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ย ไ, ไนยไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะว่าจิตจะไม่นิ่งมันมีรูปผ่านตาอยู่มันมีเสียงผ่านหูอยู่และรูปนั้นก็จะเป็นรูปที่หลากหลายเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราจะต้องการจะนั่งสมาธิมันก็ต้องตัดอารมณ์ื่นหมายความว่า หูจะต้องไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าก็ลำบากหน่อยคือสรุปว่าจะมูกก็ต้องไม่มีกลิ่นมากระแทกกายก็ต้องไม่มีหนาวจัดร้อนจัดมากระแทกตาเราก็หลับตาเพราะเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่ที่ที่ใจกับอารมณ์เดี๋ยวหูนี่เราไม่ได้อุดนะหูนี่เราไม่ได้อุดด้ว ม, มันก็ต้องตัดเสียง เพราะว่าอารมณ์มันก็ผ่านมาต่างๆหุ่นจงลิ้นกายอารมณ์ก็กำกับอยู่ที่จิตเอาอารมณ์กรรมาฐานไปติดเกาะของจิตทีนี้แล้วถ้าจิตมันจะเวียงปเปี่ยวนึกในทางที่เป็นกุศลทางกุศลก็สรงเน้นที่เนคขัมมะวิโตคือตื่นนึกเหนี่ยวนึกในการที่จะออกจากกาม ก็หมายความมาต้องเห็นโทษของตัววัตถุการมและเห็นโทษของตัวกิเลสกามคือตัววัตถุที่จริงมันมันก็จะถือว่ามีโทษไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะเพราะเขาเป็นปัจจัยเครื่องอาศัย ใ, ในการดํารงชีวิตเราเห็นว่าโลกวัตถุคือวัตถุกรรม ก, ก็คือก็คือปัจเจศีก็คือปัจเจศีแต่ถ้าเราตามใจมากเกิดไป าตามใจคนมากเกินไปอย่างเนี้ยอย่างอย่างยกตัวอย่างในกรณีของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยคือไม่จะหยุดอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าให้มันพอเพียงแก่สถานะของเราไม่ใช่ว่ารายได้เท่า น, นี้มีที่ดินเท่า น, นี้รายได้เท่า น, นี้ผูกขาดเท่า น, นี้อยู่กันสองคนเัวเมียแล้วก็ถือว่าพอเพียงแล้วก็ใช่ตอนนั้นก็พอเพียงแต่ถ้ามีลูกล่ะมันก็ต้องเพิ่มขึ้น ีลูกคนหนึ่งสองคนสามคนเอาลูกโตมีข่าเราเรี้ยงนี่ข่าวอะไรต่างๆตามมาเพราะฉะจิตะจิตพอเพียงมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านปัจจัยสี่อย่าให้เดือดร้อนเร่งปัจจัยสี่และโดยต้องไม่เป็นทาสของปัจจัยสีเพรา ะ, ะเราก็ต้องคงใช้เหตุผลใช้สติปัญญาใช้ความพยายามไป แนวของกุศลมิตกรกทรงแยกเป็นเนคข ม, มาสันตปาคือแนวนึกปรึกนึกที่จะดึงกายดึงจิตออกไปจากจากกามก็หมายความจริงๆก็ต้องดึงจิตออกจากตัวกิเลสกา ม, มานะฮะตัวกิเลสเพราะว่าไอตัววัตถุกามอย่างไงอย่างไงเราก็ไม่ไปไปไปอยากก็แล้วกันคือทำเฉยๆใช่ บ, บาง อย่าไปยินดียินรล่มากเกินไปเพราะยังไงเราเราเราหลบวัตถุ ก, กรรมไม่ได้หรอกรอบตัวเราก็เต็มไปด้วยวัตถุ ก, กรรมตัวเรายังเป็นวัตถุ ก, กรรมเลยเพราะตัววัตถุ ก, กรรมเนี่ยอย่าไปยึดมันถือมั่นอะไรมากบานก่อนอย่างนึกมียมคนหนึ่งเขาเอาลูกมาบวชแล้วก็ขอร้องให้ยึดเอาะม่ลูกเขาอยู่นานๆหน่อยอปรากฏว่าลูกเขาก็ไม่ยอมมาดั้นเก้าเกลิศ มาลาไพื่อจะสึกเราขอให้ช่วย อ, อบรมลูกเขาบอกว่าก็อบรมได้ก็พูดได้ก็พูดกันดูแต่ว่าโยมต้องเข้าใจนะฮะโยมโยมที่จะนั่งตรงเนี้ยอามามองว่าโยมมีแบกโลกเอาไว้โยมไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับแม้แต่เขาปวดน้ําเนี่ยน้ําต้องไหลต่อไม่ขาดแล้วเอามาจากไหนโลกมันน้ําที่ไหนที่มันไหลต่อไม่ขาด่ะ ฝนตกมันยังหายเลยมันไม่ได้กฎเกณฑ์อะไรหรอกน้ำมันไม่ได้สื่ออะไรเป็นธรรมเนียมของพรามเฉยๆเราเป็นกุศลเจตนาที่ตั้งใจอุะทิตอุทิศส่วงกุศลตักแกดอื่นท่านั้นเองฐานใจก็ได้เปงวยยาก็ได้หรือว่า ไม่ต้องทำอะไรก็นั่งสมาธิที่ทาท่านี่ตดาก็ได้ก็ไม่ได้วาด ก, กันเพราะโลกเนี่ยเขามีหเหยียบเราไม่ใช่มีไปแบกแต่เราแบกโลกเอาไว้เราก็หนักก็ยกตัวอย่างการฟังบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเทินของอยู่น็นศีตว์แล้วก็หาบของที่บาทมันจะหนักนะ ทีนี้ถ้าเราเอาลงจากหัวใช่บ้างลงจากบาทใช่บ้างมันจะเบาของอะไรก็ตามเราจับเรายกเนี่ยมันหนั ก, กเทอะท์วันอย่าไปยึดมัน่นถึงบ้านอะไรมากเกินไปก็อนอนเราก็ปล่อยรถถึงพูดถึงปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็คิดถึ ง, งใหญ่การทางภาคใต้เนี่ยพอมีข่าวเราก็คิดถึงแต่ว่ามันก็จบะคิดถึงก็จบอะ เพราะจริงๆเราก็ไปทําอะไรไม่ได้เราไม่มีอำ น, นานนะจไม่มีอำนาจจิม่มีตำแหน่งอะไรที่จะไปทําอะไรเรื่องขนาดนั้นได้แต่สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเข้าไปแล้วก็ต้องอย่าไปตรุดนึกด้วยอำนาจของพยาบาททีนี้ประเด็นตรงนี้ยมันมีความสําคัญอยู่คือลักษณะของของความไม่โลภหรือของเนค ข, ขม่าเนี่ย มันเป็นในการจางคลายของกิเลสจางคลายแายในจิตเรโดยเนื้อหาสาระของการบวชที่เรียกว่านคัมมาเนี่ยการออกบวชก็ไม่ได้หมายความว่าต้องออกบวชก็บบงผมโกนหนวดอะไระไรต่างๆหรอกเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เว้นบาปคำว่าบวชเนี่ยคือแปลว่าเว้นบาป วันอยาคิดบาปอยาพูดบาปอยาทำบาปคิดได้งไงนึกถึงพระบรมราชโองารพระจำมรัดคนในหลวงวันก่อนนะฮะหรือมาจะนึกถึงภาพอันนั้นเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพของมนุษยชาติ น, นะคือเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหน ที่คนมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็แต่งชุดเหลืองมึงก็ทุ่งทานตะวันบานสะพั่งไปทั่วแผ่นดินเอกสารของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าหลายแสนหเจดแสนขึ้นนะฮะแต่องไทยในพูดเป็นล้านนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคนก็อยู่ที่ไหนครับแล้วตัวการสำคัญเนี่ยคือตัวตั ว, ตวพระบรมราชาวาร ประการแรกปรสารวัตประการแรกคือคิดธรรมพูดด้วยเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อบุคคลอื่นนี่แหละคืออภัยบาศวิโตคือจดนึกด้วยความเมตตานะฮะจดนึกด้วยความเมตตาแต่ว่าทรงสอนตรงนี้ทรงสอนระดับระดับมโนสุจริตคือหมายความามระดับงดเว้นก่อน ด้ต่า ก, การคิดในลักษณะนั้นแล้วก็คิดในทำานองที่ประกอบในเมตตาจิตต่อคนทั้งหลายทีนี้วิหิงสาในตามปกติแล้วสังคมไทยเราเราไม่เคยพูดนะฮะวิหิงสาเราอาจจะพูดอาหิงสาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เคยเอามาพูดเท่าไหร่เราพูดการุณา ระพวกกรุณาอย่างเด็กๆ เ, เนี่ยเด็กๆที่สมัยเรียนดี ม, มีมีท่องขอยันเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ที่อะไรนิสสาชาคิตอะไรเนี่ยรายการที่หกคือว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับกหาไม้หลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากฟ้าฟ้ า, าสุราลัยสุดแดนดินเป็นความดีสองชั้นพลันปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมบัติเนี้ โดยมาเราจะพูดถึงเรื่องกรุณายิ่จริงเอาวิหิงสาก็คือกรุณานั่นแหละเราสังเกตว่าในทศพิตระจะทำท่านก็เรียกว่าอาหิงสาเพราะอะไรเพราะว่าเอาอย่างเอาอยาเบียนเบียนก่อน เ, อเมตตาแทานที่จะท่านจะใช้คำว่าเมตตาเนี่ยท่านเรียกอโกถัง โกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนังน า, นาเอาตรงนี้ก่อนอย่ากโกรธกันก่อนอยา่าประทุธร้ายกันก่อนอย่าเบียดเบียนกันก่อนอดทนเอไว้มีขันติไปหนักแน่นเอาไว้จะมีกรุณาเนี่ยถ้าเรียป็นเต็มว่ากรุณาเจตสิก ในลักษณะของจิตที่มีความสงสารต่อทุกชีวิตแต่ว่าใ น, ในโครงสร้างของพรมิหารเนี่ยเขาเรียกว่ามีสัตว์ที่ประสบความทุกข์ภัยโรคเป็นอารมณ์เพราะว่าภรมิมาณจะเน้นที่ตัวเมตตาให้โลกอยู่ร่วมกับดยเมตตา แต่ว่าตรงนี้เมตตาทรงแสดงแล้วนะในข้อที่สองเนี่ยตรงนี้ก็มาเอาที่กรุณาก็เลยเก่สงสารสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลําบากอยู่ได้รับความทุกข์ยากลําบากในการข้างหน้ามันก็คกลียดสงสารลูกหลานนะครับก็กลัวเธอจะเดือดร้อนในการต่อไปก็พยายามว่ากล่าวตักเตือนอบรม แนะนำสั่งสอนส่งเสริมสนับสนุนตอนเธอจะเดินน่ะเราก็ตายแล้วแหละนั้นแสดงว่ากรุณาเนี่ยมันมองไปข้างหน้าด้วยไม่ได้มองเฉพาะปัจจุบันขนาดทีนี้ถ้าเราเกิดกรุณาจิตเนี่ยราจะเห็นว่าเช่นเช่นสมมุติว่าคิดจะประทุษร้ายใครสักคนหนึ่ง่งมันคิดไม่ได้ เพราะว่าต้องนึกว่าเออถ้าเราไปทำอะไรเขาแล้วต่อไปลูกก็จะเป็นยังไงหลานจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงนะพ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นยังไงบลักษณะของกรุณาท่านบอกว่ า, าแสดงอาการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์โดยการทำก็ได้พูดก็ได้คิดก็ได้นะบางทีมันก็คิดเอานะอย่างเราต้องการเหตุการณ์ปักใต้ในสงบสักทีเถอะ เราก็คงทําได้แค่คิดบางทีเราก็ไปเยี่ยมเยียนอะไรก็เล็กเกแน้อยนะฮะเพราะว่าปัญหามันคือคนที่สร้างปัญหาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครหรือไม่มีโอกาสจะติดต่ออะไรกับเขาแล้วก็เมื่อเราช่วยเคิรเขาหลือเขาก็จะขจัดความทุกข์ของเขาแต่ขนาจิตเนี่ยคือจะไม่เบียดเบียนคือจะเป็นอวิหิงสาแล้วก็มีการเห็นสัตว์ ผู้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนรายที่พึ่งอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏในขณะนั้นๆั้นเพราะถ้าเราคิดได้พยายามจะคิดในแนวเนี้ยแนวที่จะให้กิเลสราคะมันจางคลายลงไปโทสะมันจางคลายลงไปอันวิดเบียนจางคลายลงไปแล้วพนู้นมันมั น, ม, น, ม, นมันจะลดนะมันจะลดลงไปคือควายที่ เรื่องการเรื่องพยาบาทเรื่องเบีดเบียดเนี่ยมันจะลดความทุกข์คนลงไปเพราะว่าจิตมันทํางานได้ในแต่ละขณะก็คือเรื่องเดียวทีนี้ถ้าเรามาต่อกันได้ตลอดจิตก็จะสัมผัสธรรมะที่จริงแล้เป็นการปฏิบัติธรรมะคือนั่งยังไงก็ได้แล้วก็เป็นเขาเรียกธรรมะวิตกโกคือหลุกนึกถึงธรรมะก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่า นย่าที่เคยเกิดนำไว้ในรายการวันจันท์บอกว่าเรากำลังจะสร้างศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาเป็นที่ทำการศูนย์ส่สงเสริมพระศาสนาแห่งประเทศไทยแต่คือที่จริงเราก็ปรารอบมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครที่ได้แสดงความเห็นจะมาสนับสนุนส่งเสริมเราพูดมาเยอะพูดมาเยอะมากแต่ว่าไม่มีใครที่แสดงศรัทธาออกมา ก็มาพวกขุนเอกเสรีกระมานกรบท่านกระเตรัชนพรขยาพรพุกกมานแล้วก็ทราบว่ามีขุณยูดีบุญครองก็เห็นด้วยที่ต้องการสนับสนุนพริเมณนี้เราก็ดำเนินการมาจนถึงขั้นออกแบบแล้วก็ไปติดต่อเชาวสถานที่จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เียวนี้ก็เริ่มรนณนรงค์วชวนชวนจะชวนสาธุชนให้บริจาคคือจากรายการที่พลเอกเสรีท่านคิดไว้เนี่ยคือมันรวมสามเฟรตเนี่ยประมาณสักสามพันกว่าตารางเมตรแต่ทุกหลังเนี่ยมันคิดแล้วตารางเมตรละหมื่นสองหมายความว่าอยอดดวงบนใดที่มีพลัง มากพอคือกำลังศรัทธามากพอกำลังทรัพย์มากพอเห็นคุณค่าของการให้เสนาสนะทานที่พระเจ้าทรงแสดงว่าชะนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเราก็สามารถแสดงความจำนงได้ที่ศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดวัวนิเวศวิหารโดยติดต่อผ่านโทรศัพท์โทรศัพท์พก็มีสองเบอร์นะฮะเบอร์หนึ่งก็คือศูนย์สอง สอง2ปดหนึ่งสองหนึ่งสามเกศย์สองสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสาแล้วก็ศ2 2ย์สองสองแปดหนึ่งสามหกเจ็ห้าศย์ปดหนึ่งสาหเจดห้ารายละเอียดอะไรต่งางๆนี่จะค่อยๆนำมาจะลำํำนำมาเล่าก็าคิดว่าใน5้านาทีข้างหลังอาจจะข่าวละส3งสนาทีสองนาทีอะไรตัอะไรเนี่ยจะ กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่ถือถ้าเรามีสถานที่ตั้งอย่างที่ว่าเนี่ยงานของศูนย์จะทำอะไรได้เยอะเพราะว่าเป็นองค์กรที่ระวังวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะคร่องตัวสูงแล้วก็จะใช้คนที่มีน้ำใจคืออาสาสมัครส่วนใหญ่ต่แน่นอนว่าต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ คนเราเนี้ยเราก็ต้องจ่ายสาตังมีเงินเดือนมีค่าใช้จ่ายในอาคารสถานที่เนี่ยมันคงต้องมีแต่ว่ากิจกรรมเหล่าเนี้ยมันมันคือถ้าเรามีความเห็นร่วมกันก็เราแต่ละคนก็ไม่กี่วันเราจะตายแล้วอรรมะเองก็นับถอยหลังแล้วคิดว่า ถ้าเราสร้างองค์กรอะไรเพราะว่าองค์กรของวัดเนี่ยมันเป็นสมบัติของสมภารไปอะ่ะมันเป็นองค์กรใหญ่จริงมันลงทุนเยอะมากแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่จะช่วยเหลืองานพระศาสนาในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติการเผยแพ่การดูแลรักษาศาสนามันไม่มีองค์กรจัดตั้งที่สังเจต แล้วก็เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมาบวชมาห้สิบกว่าปีแล้วนะฮะจะเหนว่าไม่เคยแก้ปัญหาได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและต่างๆจาคนในบ้างคนนอกบ้างเนี่ยไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาทับถมซ้ำซากอยู่ในสังคมเป็นเรื่องที่น่าวงใหญย ว่าเราอยู่ท่ามกลางการะแสโลกาภิวัตเนี่ยถ้าองคอ์กรพูดอย่างเหาะแยะกันอยู่อย่างนี้ยังไปเล่นแต่สมณ ศ, ศักด์กันอยู่อย่างเงี้ยยุ่งแต่เรื่องสมณ ศ, ศักดิ์ทุนาตาปีเลยไม่ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องในราวอะไรต่เลยในเรื่องต้องคิดเยอะนะแล้เราก็ทำไงเราก็เป็นองคอ์กรเล็กๆงองคอ์กรหนึ่งแล้วต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าตรัยภาคีนะะคือคือหมายความว่าสูนย์ส่ ง, สงเสริมพระพุทธศาสนา แล้วก็ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแล้วก็ไปรเรียน ร, รมสมาคมอะไรเนี่ยแ ล, แล้วก็เราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเรื่อยเพราะว่าจริงๆพวกเราเครือข่ายเรานั้นเขาก็มีเยอะเดี๋ยพอนี้เราไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ทํางานไม่มีที่ประสานงานที่ทํางานที่วัดบวรเนี่ยมันไม่ถึงสิบตารางเมตรนะ่ะสิบตารางเมตรจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้่คนเข้าไปสีห้าคนก็แย่แล้ว วันเราเราทํางานอะไรนี่ขาดความคล่องตัวกมากก็จะไปชุมอะไรที่ก็ไปจะเช่าสถานที่ตรงนั้นไปยืมสถานที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าญาติโยมมองเห็นคุณค่าคือส่วนจะเล่าอะไรรายละเอียดนจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะเรื่องนี้ก็มีญาติโยมทยอยนะทยอยส่งกันมาก็ขอโมทนาสาธุการโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือ ก็คุณเอกเสรีพุกมานารดรรัชนีพรธ์ุกมานถึ่งท่านได้แสดงความจำนงบริจาคไปแล้วส่วนหนึ่งก็สี่ล้านแล้วก็คุณยัวดีบุญครองซึ่งยังไม่ได้ต่ออะไรกันหรอกแต่หวังว่างานของศูนย์อย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะมีอาคารเกิดขึ้นมาได้สักหลังหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังทะไร ทิ่งรรมจากมาเป็ตะไลสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพินทญ์นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามพัยบุญในธรรมขมีและท่านผู้ฟังขณาดูผวกันสวัสดี